เอาอีกแล้วต้ประหลาดใจไปครั้งที่สองพอของประหลาดก็ตั้งอยู่อีกตั้งวางอยู่ตรงที่เดียวกับวันก่อนซะด้วยคงเป็นอาหารเหมือนอย่างวันก่อนอีกนั่นแหละของคราวก่อนยังไม่ได้กินเลยเอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่อาหารอย่างที่คิดแต่เป็นผ้าุูกไม้เนื้อละเอียดสวยงามผ้าผืนนี้ราคาสูงมาก ดูก็รู้ว่าทรมาจากแคว้นกาสีผู้ร่ำรวยเท่านั้นทุกจะมีโอกาสได้ใช้อ๋อมีข้ามาทุบายญาติอีกด้วยขาดไม่ได้ก็เห็นจะเป็นจดหมายตามเคยคราวนี้เขียนว่ายังไงนะเรียว่าตะฉันรู้สึกเสียใจยที่เธอไม่บริโภคอาหารที่ฉันให้ฉันคิดว่าเธอคงดนเกยียดฉันแน่นอน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 เรือว่าผู้หวังดีก็คือนางพาสี นี้เป็นคืนวันเพ็ญพระจันทร์เต็นดวงสาดแสงสุกสกาไปทั่วเป็นคืนที่สวยงามจนทำให้หนอนไม่ลันต้องมานั่งอยู่คนเดียวริมสระท่ามกลางความงามและความเงียบแห่งรัตติกาลสายลมยามดึกโชยมาเป็นครั้งคลาพร้อมด้วยกลิ่นหอมเย็นของดอกโบมุสเสียงเพลงดัง แ, แว่วมาเป็นครั้งคลาจากตน้ตาต่างประสาท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 ที่ที่ปีศาจหรอกอย่ากลัวไปเลยถ้ท่านมาจช่ปีศาจแล้วท่านเป็นใครมาจากไหนทำหํำไมจึงมาที่นี่ในเวลาค่ำคืนอย่างนี้เธอจำฉันไม่ได้เหรอจาไม่ได้เลยจริงๆก็ท่านเอาผ้าคลุมหน้าคลุมตามิดชิดเอาอย่างนั้นไม่ แ, แต่เสียงเธอก็จําไม่ได้เสียงอย่างนี้ดูเหมือนจะเคยได้ยินมาแล้วแต่นึกไม่ออกว่าได้ยินที่ไหนเธอลองนึกดูให้ดีบางทีอาจจะนึกออก ทำยังไงก็นึกไม่ออกเสียเวลาเปล่าๆถ้าอย่างนั้นฉันจะเอาผ้าคลุมออกให้เห็นนีน่งล่ะลีลาวดีลีลาวดลีลีลาวดีจริงๆเหรอเ น, นี่ยถูกละฉันเองลีลาวดีอย่าเรียกชื่อฉันดังนะ เดี๋ยวคนจะได้ยินลีลาว ด, ดีท่านมาทำไมในเวลาค่ำคืนเช่นนี้ก็ามาเยี่ยมเธอนะสิมาเยี่ยมข้าพเจ้าเป็นไปได้ยังไงวันน้าพราหมณ์สูงส่งมาเยี่ยมเด็ดจันทานเดินมนุษย์ข้าพเจ้าฝันไปกระมังเนี่ยเปล่าเลยเธอไม่ได้ฝันรักเรวะตาที่เธอเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นความจริงเซนมาเยี่ยมเธอ อย่าพูดมากไปหน่อยเลยเรานั่งคุยกันดีกว่านั่งคุยกันสงสัยอะไรล่ะดูข้สีลทำเป็นงงนั่งคุยกันที่ขอบสระนี่แหละ อ, อย่าจับแขนแค่นี้ทำไมต้องตกใจด้วยอ้ะแล้วนั่งจะถอยนี้ไปไหนเดี๋ยวตกขอบสระไปหรอเขอมามันนั่งใกล้ๆนี่อย่าได้ลาบดีอย่าลืมว่าข้าพเจ้าเป็นเพียนเด็กจันทันอย่าทําให้สิริ ข, ของพราหมณ์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 เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าคิดไม่ถึงทำไมจะต้องมาเยี่ยมข้าพเจ้าคขาเพื่อฉันสงสารเธอนะสิ่นีลาวดีสงสารข้าพเจ้าฉันสงสารเธอจริงๆเดยวะะ่าตักเธอถูกแม่และพี่กันนิกาคมเหง มันเป็นการกระทำที่ฉันทนเห็นไม่ได้จึงหาทางที่จะช่วยเหลือเธอมา น, นานแล้วแต่ก็มองไม่เห็นทางที่จะทำได้โ ด, ดยเปิดเผยนอกจากช่วยเหลือเธอในทางลับช่วยเหลือทางลับถูกแล้วฉันฝากอาหารและเครื่องนุ่งห่มกับนางทาสีมาให้เธอสามสี่ครั้งหวังว่าเธอคงได้รับท่านคือผู้หวังดีข้าพเจ้าเพิ่งเจทเดียวนี้เองไม่นึกมาก่อนใช่ไหมว่าจะเป็นฉัน ข้าพรเจ้าไม่เคยนึกเลยเพราะฉันไม่ได้อยู่ในสายตาของเธอนั่นเองช่างเถอะอย่าพูดถึงสิ่งนั้นเลยถ้าดูน้ำในสระสิเป็นละลอกน้อยๆเมื่อถูกสายลมอ่อนๆพัดทาให้เงาพระจันทกระเพื่อมดูดดเงินที่กําลังละลายควางอยู่ในเบ้ากลิ่นหอมเย็นของดอกโกงมดช่วยมาต้นอโศกดิมสะสะบัดใบสู้ซาต้อนรับสายลม เป็นธรมชาติที่น่าชื่นชมมากท่านคงชอบชอบสิชอบมากทีเดียวนานๆนนจะได้มีโอกาสอย่างนี้โอ้ตาจริงเธอจะจะลืมเธอคงหิวมากสินะเรวะตาฉันมีอะไรมาฝากเธอด้วยละ่ะนิ่งนรับไว้บ่อยๆพวกเธอวันหลังถ้ามีโอกาสฉันจะนำมาให้อีกอสีใบสูบสาบในพุ่มไม้มันกะว่ามีคนอยู่ที่นั่น ต้องไปก่อนละจะจะอยู่คุยกับเธอนานๆแต่อิสรภาพที่จะทําไม่มีเลยจําไม่ว่าถ้าในโลกนี้ไม่มีใครเห็นใจเธอท่านนี่หละจะเป็นผู้เห็นใจเธอลาก่อนดีลาวดีไปแล้วเราไม่ได้ฝันไปอย่างแน่นอนดีลาวดีมาหาจริงๆเธอบอกว่าสงสาร ที่ต้องได้รับความลำบากเธอไม่รังเกียจคนจันทรานอย่างเราหรอกเลยเธอไม่โกลัวจะแปดเปล้่นความอภิมงคลหรอกเลยเธอคงไม่รังเกียจถ้ารังเกียจเธคงไม่อุตส่าห์ลงมาหาในยามวิกาลอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นเธอเป็นวรนณพรามที่ตลาดที่สุด หลังจากพบดิลาวดีในคืนนั้นแล้วรู้สึกสบายใจขึ้นอย่างผิดปกตินางทาสีคงนำอาหารผ้านุ่งห่มและอื่นๆจากดิลาวดีมาให้อยู่เสมอไม่ได้ขาดคราวนี้กินโดยไม่ได้เคลือบแคลงสงสัยทั้งอยากจะพบเธอใจจะขาดอยากก้มลงกราบแทบเท้าของเธอและขอบพระคุณเธอ ไม่สมกับความเอื้ออารีของเธอแต่เธอไม่มาปรากฏตัวให้เห็นอีกเลยดอกโกมุตในสะกําำลังขยายกลีบบานสักครั้งมองลานตาไปหมดเหล่าพรมรต่างพบบินเข้าครุกเกสรจากดอกนี้ดอกโน้นอย่างสำรานใจตอนนี้ถึงแม้จะอยู่คนเดียวในสวนอันแสนสงบ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 เวกมันทิ้งโละดิาน้ำตามเดิมดีกว่านี่ตกความทิ้งไปหมดแล้วเสียตายก็เสียดายเภสัตะรลีลาวอดีดู้ดาทังเธอไม่ตื่นเต้นเลยที่พบฉันถูกแล้ว คร่าวนี้ข้าพเจ้าไม่ตื่นเต้นแต่ความยินดีปรีดาล้นเหลือทีเดียวจริงเหรอเดวิตะทําไมข้าพเจ้าจะต้องโกหกที่พูดมา น, นี้เป็นความจริงพบท่านก็ดีแล้วดีลาวดีข้าพเจ้าใครจะถามปัญหาท่านสักข้อหนึ่งถ้ามีปัญหาอะไรจะถามเหอเรอเดวิตะอาสิมีอะไรจะถามมาเลยท่านรับปากได้ไหม ก่จะตอบคําถามข้าพเจ้าด้วยความจริงใจฉันรับปากฉันจะตอบคําถามเธอด้วยความจริงใจท่านเป็นผู้มีวันณะะรามสูงส่งเหตุใดจึงยอมลดเกียรติลงมาหาข้าพเจ้าท่านไม่ดังเกยียรตข้าพเจ้าหรอกเหรอเรวัตตาเธอไม่ควรมีความสงสัย ใ, ใดๆอีกต่อไปก็เท่าที่ฉันมาคบหาสมาคมกับเธอนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าฉันไม่รังเกยียรตเธอ ถ้ารังเกียจฉันคงไม่มาหาเธอแน่ประหลาดมากเธอว่าประหลาดอย่างนั้นเหรอเรวัตตาถูกแล้วเป็นเรื่องที่ประหลาดมากท่านเป็นวันนาพราหม์อันประหลาดขณะที่คนวันณาเดียวกันกับท่านทั่วปัตต ภ, ภีรังเกียจข้าพเจ้าอยากจะถามท่านอีกครั้งว่าเหตุใดท่านจึงไม่รังเกียจข้าพเจ้าเวตตา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 ไม่ได้อยู่ที่ชั้นวันนะแต่อยู่ที่การกระทาของแต่ละบุคคล น, นั่นเองคนวันนะสูงแต่ทำชั่วก็ชื่อว่าต่ำคนวันนะต่ำแต่ทำความดีก็ย่อมชื่อว่าสูงรัตนชาติมีแก้วไพฑูนแม้ตกอยู่ในเปือกตมก็ย่อมเป็นของดีใครๆก็ปรารถนะสาสร้างศพแม้จะบรรจุไว้ในโล่ทองตั้งประงานไว้บนแท่นอันงามวิจิต ก็ยังเป็นของเน่าใครๆก็ไม่ปรารถนาฉันคิดเช่นนี้จึงไม่รังเกียจเธอลีลาวดีเลยถ้อยคําของท่านทั้งไพเราะสน่กอะไรตลอดเวลาของข้าพเจ้ายังไม่เคยได้ยินคําพูดเช่นนี้เลยเคยได้ยินแต่ถ้อยคําว่าเจ้าคนเด่นตายเจ้าคนไม่มีวันนะเจ้าคนมีคาตตามกว่าเดรชาน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 ว่าจะถามนายท่านก็ไม่มีโอกาสจะสงสัยอะไรราชาสีเขาพระเจ้าเห็นนายท่านเดินสวนกับเรวัตตะท่านายท่านยกผ้าขึ้นปิดปากปิดจมูกสแสดงว่ารังเกียดอย่างมากนายท่านคำชะนี้เห็นทีเรวัตตะจะต้องน้อยใจแม่เลยไม่หรอกนั่นเป็นเพียงการแสดงละครเท่านั้นสแสดงละครเขาพระเจ้าไม่เข้าใจต่อหน้าแม่และพี่สาว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 นายท่านบอกเขาไปเจ้าก่อนได้ไหมเท่าที่นายท่านแอบไปพบเรวัตตะที่ริมตะโกมุตแทบทุคืนจนย่างเข้าปัดจิมยามจึงกลับเครื่องประสานนั้นนะ่ะเพราะอะไรเกลือสงสารเรวัตตะแต่เขาไปเจ้าว่ามากไปกว่านั้นมากไปกว่านั้นอะไรความรักที่นายท่านความรักนายท่านรักเรวัตตะ ดีคืนนี้ที่มาช้ากว่ากําหนดมากนะเรวตะถึงจะช้าแค่ไหนข้าพเจ้าก็รอได้และตั้งใจจะรออยู่ทั้งคืนรอแล้วจะไม่มาล่ะนั่นไม่ทําให้ข้าพเจ้าเสียใจเป็นความสุขใจที่ได้ซ้ําที่ได้รอเพราะรู้ว่าที่ท่านมาไม่ได้ต้องมีอุปสรรคแต่ว่าคืนนี้ท่านทําให้ข้าพเจ้าประหลาดใจแล้วสิ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 สักวันหนึ่งเรื่องของเราคนอื่นจะต้องรู้และนี่ก็รู้กันแล้วใครรู้แม่และพี่สาวของฉันลีลาัอดีนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยซะแล้วแต่เกี่ยวกับชีวิตจิตใจของเราทั้งสองทีเดียวขพระเจ้าจะช่วยท่านได้อย่างไงดีเธอไม่ต้องเป็นกังวลไปหรอกเลวัดตาเรื่องนี้ขอให้เป็นหน้าที่ของฉันฉันบอกเธอแล้วไงเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะ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 อย่าเพิ่งรู้เลยต่อไปเธอก็จะรู้เองฉันไปก่อนละลีลาวดีและฉันจะลงมาหาเธอเหมือนอย่างเคยข้าพเจ้าจะรอคอยว่าแต่ท่านไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นฉันจะต้องลงมาลีลาวดีเดินดุ่มดุ่มไม่ยอมเดี๋ยวหลังสายไปในความมืดถ้าทางข้อเทอาหน้าสงสารเรื่องร้ายกําลังจะเกิดขึ้น เกิดขึ้นกับเราไม่เคยนึกกลัวเลยแต่ถ้าเกิดขึ้นกับลีลาวดีนั่นสิร่างบอ บ, บางหัวใจน้อยๆจะทนกับความเจ็บปวดไหวเลยเอ๊สียงร้องไห้ดังมาจากปราสาทใครเป็นอะไรอ่ะหรือว่าลีลาวดี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 ลีลาวดีโอ้ข้าพเจ้าดีใจที่ได้พบท่านก่อนหน้านี้ใจหดหูคิดว่าท่านจะไม่มาให้เห็นหน้าอีกแล้วฉันบอกเธอแล้วก่ต้องมาเพียงแต่ว่ามาช้าไปหน่อยเท่านั้นให้ช้ากว่า น, นี้ก็คอยได้ข้าพเจ้าตั้งใจไว้แล้วว่าจะอยู่รอคอยท่านตลอดทั้งคืนนี้มีอะไรหรือเปล่าลีลาวดีเธอคิดว่ามีอะไร ้างท่านเจ้าหมอกว่าทุกครั้งมีอะไรบอกข้าพเจ้าได้ไหมถ้ามีแล้วฉันจะบอกเธอนี่ก็มีแล้วทำไมถึงไม่บอกล่ะไปวัดตะบอกไปเถิดข้าพเจ้ากาลังคอยฟังอยู่แล้วเธอเห็นเป็นยังไงกับโลกนี้น่าอยู่มะหลีลาวดีฉันต้องการคำตอบจากเธอสำหรับข้าพเจ้าไม่ว่าโลกไหนก็ตาม ถ้ามีลีลาบดีอยู่ด้วยแล้วน่าอยู่ทั้งนั้นที่เธอพูดอย่างนี้หมายความว่าเป็ไงเลยว่าตะความหมายของข้าพเจ้ามีอยู่ว่ า, อ, าอะไรล่ะอข้าพเจ้าไม่กล้าบอกทำไมไม่กล้าข้าพเจ้ากลัวจะผิดหวังข้อสําคัญกลัวท่านจะโกรธนอกจากว่าจะได้รับประกันจากท่าน ก็จะไม่ถือโทษโกรธเคืองแล้วนั่นแหละข้าพเจ้าจึงจะบอกบอกมาเถอสําหรับเธอจะได้อภัยทุกอย่างจริงนะฉันไม่เคยโกหกเธอเลยถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าจะบอกเดี๋ยวนี้เวลาพอดีข้าพเจ้ารับผันเรีว่าตั